คือชีวิตคนเราเนี่ยมันก็ร้อยปีเป็นประมาณเพราะนั้นก็ใช้จ่ายเวลาเนี่ยไปเรื่อยทุกวันทุกวันนั่นแหละแต่ถ้าเรามองให้มันละเอียดขึ้นหน่อยในหนึ่งรปีมันก็มาจากหนึ่งวันนั่นแหละหนึ่งวันตั้งแต่พระอาทิตย์เริ่มต้นขึ้นเราก็เริ่มกิจวัตรของเราตั้งแต่ตอนเช้าขึ้นไปแล้วก็ไปสิ้นสุดตรงตอนกลางคืน แล้วก็จบที่ตอนนอนแล้วก็เริ่มวันใหม่แต่วันใหม่ของของวันถัดไปอ่ะโดยมากแล้วเนี่ยกิจวัตรประจำวันมันก็แบบเก่าน แ, แหละไม่ต่างจากเมื่อวานหรอกอาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่เชื่อมั่นเลยว่าประมาณ 80-90% เก็นเนี่ยก็เป็นลักษณะเก่าลักษณะเดิมของเมื่อวาน อันนี้มันชี้เห็นถึงว่าถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรในหนึ่งร้อยปีที่เรามีเราก็จะใช้จ่ายเวลาในลักษณะนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าในหนึ่งวันหนึ่งหลูของเราอะมันก็เป็นตัว fix การใช้เวลาของเราไปมีกิจวัตรที่ว่าจะต้องทำสิ่งไหนประจำ สิ่งไหนเป็นเรื่องจรก็พอเปลี่ยนได้อย่างนี้ชีวิตเหมือนจะดูมีอิสระแต่ก็ถูกตรึงไว้ด้วยกิจวัตรประจำวันนั่นแหละแล้วมันมันมันก็ไปจบอยู่ตรงที่ว่าในหนึ่งวันในกิจวัตรประจำวันของเราเนี่ยมันทำให้ดีต่ออนาคตของเรามากน้อยเท่าไหร่ อันนี้อันนี้พูดถึงในแง่ของทางด้านจิตใจนะพูดถึงในแง่ของด้านจิตใจอย่างเช่นตื่นมาปุ๊บเราไถา facebook ก่อนเป็นยังไงบ้างข่าวสารคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงหมดเวลาไปแล้วชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงครึ่งแล้วก็แชทไลน์อีกสักหน่อยหนึ่งก็ใช้ไปอีกสิบตีตักครึงชั่วโมง ทำงานตามรูทีนอีกน่นนี่นั่นเราจะเห็นว่าวันวันหนึ่งเนี่ยโอกาสที่เราจะปันใจให้มาอยู่ในแดนกุศลปันใจให้เราออกมาอยู่ในโซนที่หลีไกลออกจากโลภะโทสะโมหะราคะเนี่ยน้อยมากเลยเราก็จะใช้เวลาให้มันจมไปอยู่กับโลภะโทสะโมหะราคะ เอาตัดเวลาช่วงที่ทํางานพลิกๆออกไปสัก่อนอันนั้นอาจจะควบคุมลําบากแต่ในเวลาที่มันเป็นเวลาว่างของเรา5นาทีสิบนาทีระหว่างการทํางานหรือว่าเวลาว่างเป็นชั่วโมงชั่วโมงในระหว่างที่เรายังยังไม่ได้มีงานอะไรจริงจังไอกิจกรรมที่เราใช้ไปอ่ะมันเป็นไปเพื่อหลีกไกลจากโลภะโทสะโมหะหรือเป็นไปเพื่อเข้าไปจมอยู่กับโลภะโทสะโมหะรักครับ อย่างเข้าไปไถเฟซบุ๊กอ่ะมันแน่นอนเลยมันต้องเป็นไปเพื่อโลภโทสะโมหระราคะแน่นอนในหน้าฟีดแน่นอนแหละมันก็ต้องมีบางคนแชร์ธรรมะบ้างบางคนก็อาจจะแชร์เรื่องราวดีๆแต่ถ้าเรามองให้มันละเอียดลงไปถึงจิตใจที่มันเป็นกุศลแล้วกุศลเนี่ย มันทำให้เราห่างไกลจากอากุศลมีโลภะโทสะโมหะราคะมากน้อยเท่าไหร่ในหนึ่งวันและในเวลาที่เราเจอเพื่อนเจอคน เ, อเพื่อนร่วมงานครอบครัวสิ่งที่เราสั่งสนทนาร่วมกันมันเป็นไปเพื่อออกจากโลภะโทสะโมหะราคะมากน้อยแค่ไหนสัด ส, ส่วน เพราะฉะนั้นมันไม่ง่ายเลยที่ที่เราจะบอกว่าเราอยากจะมีวงจรชีวิตที่มันหลุดพ้นออกจากความทุกข์หลุดพ้นออกจากวัตฏสงสารอันนี้ไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกไม่ต้องกลับมาเวียนทุกข์แบบนี้อีกมันจึงยากเพราะว่าในหนึ่งวันของเราเนี่ยเหตุปัจจัย ที่จะทำให้เราออกจากไอ้ลูปของกิเลสอันนี้มันมันมันมันน้อยอ่ะมันก็จะพาให้เราไปมีความกำนัดยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสให้เราใช้เวลาของเราเนี่ยไปในลักษณะแบบนั้น การที่เราได้ความสุขจากการที่เขาเรียกว่าไปเสพความสุขจากรูปริน้นเปลี่ยนเสียงสัมผัสมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนั่นแหละมันก็มีความดีอยู่บ้างแต่มันดีในระดับที่ว่ามันยังไม่สามารถทําให้เราเนี่ย หลุดออกจากวงโครจร อ, อันนี้ไปได้ไอวงโครจรที่เรียกว่าเวียนกลับมาทุกทุกซ้ำแล้วทุกซ้ำเล่าอีกแล้วก็เพิ่มความยินดีเพิ่มความยึดติดในรูปรถปลิ่งเสียงสัมผัสเข้าไปอีกจริงๆมันก็ไม่ค่อยต่างอะไรกับคน ติดยาคนเสพยานะความรู้สึกทางการที่เป็นความสุขจากการที่เราได้จากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากคนติดยาเท่าไหร่แต่การที่เราติดยาเสพติดอะ่ะมันก็เห็นง่ายหน่อยเห็นโทษได้ง่ายหน่อยแต่การที่เราเสพความสุขจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมันก็มีแฝงไปด้วยความทุกข์อยู่ พอสมควรเหมือนอย่างที่บอกนะ่ว่าเอาอาหารร้านนี้ดีร้านนี้อร่อยเราไปกินมันทุกวันกินมันทุกมือ้อกินมื้อนึงมื้อละหลายๆชามหลายๆจานมันก็ไม่ได้อร่อยเท่าเก่าหล้จานที่หนึ่งอาจจะอร่อยแต่จานที่สิบคงไม่อร่อยเท่าเก่าเราไปกินทุกวันทุกวันทุกวัน ก็ไปจดตรงที่ว่าเบื่อแล้วไม่ไปดีกว่าพอคําว่าเบื่อปรากฏขึ้นเมื่อไหร่มันก็ต้องเปลี่ยนเป้าหมายแหละไปหาเป้าหมายใหม่เป้าหมายที่มันจะตอบโจทย์มากกว่าเก่าให้มันละเอียดประณีต ก, กว่าเก่าชีวิตมันก็จะต้องดิ้นรนไปเรื่อยๆอวา่ากันเถอะต้องดิ้นรนอยู่เรื่อยๆ ความสุขที่มันได้จากตาหูจมูกลิ้นกายพอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะชินเราจะคุ้นชินแล้วเราก็จะต้องเปลี่ยนไปหาความสุขจากตาหูจมูกลิ้นกายในรูปแบบอื่นๆเอายกตัวอย่างของคนที่เจ้าชู้หลายใจอย่างเงี้ย ไปเจอแฟนคนแรกก็โอ้ยดีดีดีดี ด, ดีสวยหลอ่อแล้วก็อยู่แล้วก็รู้สึกแบบมีความสุขดีแต่พออยู่ด้วยกันสักพักหนึ่งก็รู้สึกจืดเริ่มจิตชืดละพอไปเจอคนใหม่เข้ามาในชีวิตที่เขาก็รู้สึกพอใจเราเราพอใจเขาทีนี้ก็ชีวิตเริ่มวุ่นวายลว เราว่าของเก่ามันจืดแล้วนี่ของใหม่ยังมีสีสันกว่าพอเราตัดใจจากความอยากอันนี้ไม่ได้นะชีวิตเราร้อนขึ้นมาทันทีแหละการที่เรามีคู่แล้วนอกใจคู่อันนี้ก็ไปกันใหญ่มันก็ชีให้เห็นว่าคนเราเนี่ยมันจะสวยมันจะหล่อขนาดไหน พอได้มาแล้วอยู่ด้วยกันนานๆตลอดตลอดตลอดเนี่ยมันก็ชินทั้งนั้นแหละมันชินมันเบื่อมันจืดไอความสวยภายนอกความดีงามภายนอกเนี่ยมันจืดแต่ถ้าเรายังหาความสุขที่ต้องมาจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจากภายนอกแบบนี้อ่ะเรายังหาความพอใจไม่ได้แบบนี้ เราก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆพอเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วชีวิตมันเร้าร้อนพอชีวิตเร้าร้อนแต่ความอยากได้มันมากกว่ามันก็ต้องยอมทนเร้าร้อนไปมันก็เลยกลายเป็นว่ายอมแลกความสุขเล็กน้อยมาด้วยความทุกข์ที่เราจะต้องเหยียบย่าไปแต่ยิ่งสมัยนีย้เขาไม่ได้ใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยความละมุนละม่อมนะ เราก็เห็นน่ว่าส่วนมากพอมันเป็นเรื่องราวแบบนี้พวกก็แก้ปัญหากันด้วยความรุนแรงจกกันที่ปืนซะส่วนใหญ่ตามไปยิงกันในห้างบ้างเหล่านี้จุดต้นตอมมันก็มาจากความไม่พอที่ใจนี่เองแต่ถ้าเรามีความสุขแต่ในภายในอยู่ได้ ความสุขที่เราได้จากความสงบระงับความอยากของใจสงบระงับเข้ามามีความสุขอยู่กับความสงบจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีความสุขแต่ในภายในเกิดขึ้นได้ความอยากไม่มีผลกับจิตใจความอยากเป็นตนกีดกันของไปจากจิตใจเราก็ไปได้และอยู่ได้แลวที่นี้ แล้วพอเรามีความสุขที่เกิดแต่ในจิตใจเป็นตัวเทียบเคียงเราจะเห็นได้เลยว่าความสุขที่เราต้องไขว้คว้าควานหาจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยมันไม่มีอันไหนที่มันยั่งยืนให้เราได้สักอย่างเดียวสักคนเดียวอยู่ไปหลายๆปีมันก็ต้องแก่ต้องเขียวต้องย่นตลอดอยู่แล้วละ่ะถ้าเรายังติดรูปลักษณ์กันแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็ หาเท่าไหร่ก็หาไม่พอแต่สุดท้ายถ้าเราเห็นแล้วเนี่ยเราพิจารณาดีแล้วเรามีความสุขอันใหม่มาทดแทนความสุขที่ได้จากการลดทอนหลีกไกลความอยากของใจเข้ามาสงบระ ง, งับอยู่ในภายในเราจะเห็นสิ่งต่างๆเลยว่า จริงๆแล้วเนี่ยความสุขที่มันหาจากรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสความสุขที่ได้จากความสวยงามจากทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันไม่มีอิ่มไม่มีพอล่ะถ้าเรายังเอาความสุขของเราไปแปะเอาไว้อยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงตรัสเอาไว้ว่าความอิ่มด้วยกามเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีเลย เราคิดว่าเราอันเนี้ยถ้าเราได้คบกับคนนี้เราจะพอได้พอได้คบกันจริงๆแล้วมันก็จืดมันก็ไม่พออยู่ดีเราก็อยากจะไปหาแบบใหม่ๆลักษณะใหม่ๆสไตล์ใหม่ๆแมะความอิ่มด้วยกามันจึงไม่มีเราจึงต้องหาความสุขที่เรียกว่าการหลีกออกจากกาม พอเราหลีกออกจากกามได้เรามีความสุขอีกประเภทที่เรียกว่าความสุขที่มาจากการหลีกออกจากกามชีวิตเราก็เบาสบายขึ้นเยอะมีความอิ่มมีความพอมีความเต็มเกิดขึ้นเพราะว่าความสงบระงับความสุขที่เกิดจากในภายในอย่างนี้เนี่ยมันทำให้เรามีสภาพของใจคืออิ่มเต็มแล้วก็พอได้ความเร่าร้อนถูกสงบระงับลงไป เพราะความอยากที่มันมีอยู่ในใจเนี่ยมันกระตุ้นเราอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันเป็นฟืนมันเป็นไฟมันเผาใจให้เราเราร้อนอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าในในกรณีที่เราหลีกออกจากกามสงบระงับความอยากลงไปได้ใจเราไม่เร่าร้อนใจเราไม่รุ่มร้อนแล้วเนี่ยมันก็ไปได้เลยสบายๆมีความอิ่มมีความเต็มมีความพออยู่ในใจ แล้วชีวิตเงื่อนไขความสุขของเราก็ไม่ไม่ยุ่งยากไม่ต้องไปวิ่งหาผู้หญิงหลายแบบหลายสไตล์หาหนุ่มๆ ห, หลายแบบหลายสไตล์เพื่อที่จะคอยตอบสนองเราเราก็จะเห็นเลยได้เลยได้ชัดเจนที่ใจเลยว่าความอิ่มด้วยความสุขทางกามเนี่ยมันไม่มี พอมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นคุณค่าของการที่เราได้มาทำความสงบระงับให้เกิดขึ้นในจิตใจการที่เราได้อยู่กับพุทโธมีความสงบระงับที่จิตใจใจเรามันเยือกเย็นไม่เร่าร้อนใจเราไม่ไม่รุ่มร้อนอยู่ได้แบบสบายๆก็วกกลับมาตรงที่ว่า ในกิจวัตรของเราเนี่ยถ้าเรายังหาความสุขแบบนี้เราไม่ได้เปลี่ยนเราก็จะต้องหาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเพราะในหนึ่งวันเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าวันนี้เป็นยังไงเมื่อวานมันก็ไม่ต่างกันมากวันพรุ่งนี้ก็จะไม่ต่างจากวันนี้มากการที่เราจะพัฒนาชีวิตพัฒนาคุณภาพความสุขของเราลดทอนความทุกข์ของเราให้มันได้เนี่ย สิ่งที่มันสำคัญมากๆก็คือกิจกรรมกิจวัตรในวงรอบหนึ่งวันของเราซึ่งถ้าเราเส็จกิจวัตรประจำวันของเราในหนึ่งวันเนี่ยให้มันมแีแต่แต้มบวกเยอะๆได้เนี่ยชีวิตเราก็จะพัฒนาขึ้นได้ดียกตัวอย่างเหมือนคนอยากลดความอ้วน ถ้าในหนึ่งวันไม่ได้ใช้กิจกรรมอะไรเลยเนี่ยแน่นอนมันก็จะไปเป็นแบบเก่าดู YouTube โปรแกรมที่เกี่ยวกับเรื่องการกินร้านนั้นอร่อยร้านนี้ดีพอดูแล้วก็อยากกินกินแล้วก็ไปกินหรือถ้าไปกินไม่ได้ก็สั่ง grab มากินพอกินคนเดียวเบื่อเ็ิช่ชวนเพื่อนมากินด้วยสุดท้ายมันก็ไม่ได้ลดความอ้วนสักทีน แต่ถ้าในตำนานกลับกันเราเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราเราเปลี่ยนพฤติกรรมของเราใหม่จากการที่เราเคยดูโปรแกรมที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารสมาะแล้วก็ลดทอนลงไปมาดูโปรแกรมที่มันเกี่ยวกับการออกกําลังกายสร้างแรงบันดาลใจที่เราจะออกกําลังกายแล้วออกกําลังกายมันก็มีหลายอย่างอันไหนที่มันเหมาะกับเราอย่างนี้ พอดูบ่อยๆเนี่ยมันก็เสพคุ้นไปใช่ไหมดูบ่อยๆดูบ่อยๆมันก็เสพคุณนั่นแหนนละเอาเราดูออกกำลังกายบ่อยๆมันก็เสพคุนกับการออกกำลังกายจากอันที่มันคลิปนี้มันอาจจะดูแล้วมันทำยากามันก็ต้องมีคลิปอื่นนะที่เรารู้สึกว่าเราทำพอได้มันก็จะเป็นตัวจุดประกายให้เราว่าเอาเราได้เริ่มนะได้เปลี่ยนกิจวัรประจาวันได้เปลี่ยนพฤติกรรมของเรามาในด้านที่เราจะลดน้าหนัก ได้ออกกำลังกายอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยเรื่องการจัดสรรเวลาให้กับตัวเองให้กับใจของตัวเองเนี่ยถ้าเราจัดสรรเวลาให้มันเป็นไ ป, น ป, นปนในทางกิเลสมากๆมันก็ส่งเสริมไปในทางกิเลสนั่นแหละอย่างเช่นเราส่งเสริมตัวเองให้คิดแต่คอยบน่นคอยว่าคนอื่นเราก็จะเป็นคนที่ เป็นคนขี้โกรธง่ายใช่หเจออะไรก็ไม่พอใจทจั้งนั้นแหละแต่ถ้าเราเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เราเป็นคนที่อะไรอะไรก็ช่างมันเอา้าช่างมันวะช่างมันวะเอเอหรือไม่ก็แบบเออก็ดีเอดีละดีแล้วแน่นอนแหละมันต้องลดไอ้ความแบบเ่งโทษคนอื่นลงไปได้บ้างหระง้วงกิจวัตรประจำวันที่เราเซตเอาไว้เนี่ยมันมันจึงเป็น ขั้นตอนสำคัญมากๆเลยในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราแล้วก็เปลี่ยนแปลงวิถีความสุขความทุกข์ของเราจากการที่เราไม่เคยนั่งสมาธิเราได้มาหัดนั่งสมาธิหัดฝึกสติถ้าเราได้เอาไปแทรกมันลงไปในชีวิตประจำวันแทรกลงไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้เรามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นในการเรามีสติในระหว่างวันอยู่กับพุโทโธได้มากขึ้นคุณภาพใจเราต้องดีขึ้นแน่นอนเมรน้นพฤติกรรมจึงจำเป็นนะมงคลมงคลเนี่ยมันแปลว่าเจริญอะ่ะอย่างมงคลสูตรก็พระสูตรที่ว่าด้วยทางเจริญนั่นแหละพระสูตรนี้ ตรัสเกี่ยวกับความเจริญเอาไว้38ข้อแล้วก็คงไม่พูดหมดล่ะเอาพูดข้อแรกสองข้อแรกก็พอละทำได้สองข้อแรกเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหเจ๋งมากข้อแรกเนี่ยท่านว่าอาศวนาจะพาลา น, นังก็คือการไม่คบคนพานอันนี้ก็เป็นมงคลสูงสุดแบบหนึ่ง อันที่สองคือปันทิตาลันจะเสวนาก็คือการคบบัฑิตแค่เราทำได้สองข้อแค่นี้ชีวิตเรามันเจริญแน่นอนทีนี้ถ้าเราขยายความไปถึงคำว่าคนพานคือคนเราเนี่ยมันจะไปสแตมว่าคนนี้เป็นคนพานแล้วเราก็สแตมตราหน้าเขาว่าพานอย่างเดียวตลอด24ี่ชั่วโมงเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ตรงตามความเป็นจริงเท่าไหร่ คือคนเราเนี่ยถ้าเราไม่ได้มองคนอื่นนะ <notre Catherine> เรามองเฉพาะตัวเราเนี่ยเราก็เป็นทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีในตัวเองทั้งนั้นแหละบางจังหวะเราก็เป็นคนดีบางจังหวะเราก็เป็นคนไม่ดีมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีนั่นแหละในตัวเราเอง <knew> ยิ่งถ้าเรามองพิจารณาให้มันเกี่ยวกับตัวเองด้วยเราเป็นพานให้ตัวเองเท่าไหร่เราเป็นบันดิต ให้ตัวเองได้เท่าไหร่โอ้อันนี้ยิ่งละเอียดเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นความคิดในฝ่ายที่เป็นพานให้กับตัวเองก็มีความคิดที่มันเป็นฝ่ายบัณฑิตให้กับตัวเองก็มีอย่างหลวงตามหาบัวนี่ท่านใช้คำว่าพานภายนอกกับพ า, า, า, านภายในท่านก็เน้นว่าไอ้พานภายในนี่แหละสาคัญ่านภายนอกมันดูง่ายแต่ไอ้พานภายในเนี่ย สำคัญนะถ้าเราบริหารจัดการไม่ดีอ่ะพันภายในมันก็พาเราไปีลุิยแฉยๆหมดพาไปขี้เกียจมั่งและพาไปทำบาปอากุศลเล็กๆน้อยๆจากเล็กๆน้อยๆก็ค่อยๆเพิ่มเติมไปเรื่อยๆถ้าสิ่งที่มันบั่นทอนก็คือมันจะมาบั่นทอนหิริคือความละอายชั่วโปตปะคกอความ เ, เกรงกลัวต่อผลของบาป มันก็จะมาบั่นทอนอันนี้พอมันบั่นทอนนี้ปุ๊บเนี่ยถ้ามันหนักข้อหนักข้อเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่เราจะสูญเสียไปก็คือความบริบูรณ์ของศีลศีลคือข้อประพฤติปฏิบัติของเราเนี่แหละเราก็จะมีข้อประพฤติปฏิบัติที่มันไม่ตรงต่อความดีมันก็มีผลคือความเร่าร้อนในชีวิตของเรา เราบนเราว่าคนอื่นเราทาร้ายคนอื่นได้เรานอกใจคู่ของเราได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความละอายชั่วความเกรงกลัวบาปของเรามันโดนบั่นทอนลงไปแต่ในตรรมนองกลับกันถ้าเราเชื่อบัณดิตในตัวของเราเชื่อว่าอาสิ่ง น, นี้มันอยู่ในกรอบของศีลนะนะเราประพฤต ปฏิบัติอยู่ในกรอบนี้เรามาีการฝึกใจให้อยู่กับพุทโธนะใจเราจะได้มีกาลังใจมีความสงบอยู่ในภายในเกิดขึ้นได้เราก็จะเข้มแข็งขึ้นมีพลังอำนาจที่จะต่อสู้กับพันธภายในของเราได้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นในมุมมองของ ผานภายนอกผ่นภายในแต่ถ้าเรามองในมุมมองของภายนอกเนี่ยอันนี้มันก็ตรงตัวตรงที่ว่าคบคนแบบไหนเนี่ยมันก็พาให้เราไปแบบนั้นแหะเพราะฉะนั้นการที่เราครบคนชั่วคนชั่วก็พาให้เราไปทำชั่วอะไรเลยพาให้เรามีความคิดความเห็นไปในทางไม่ดีพาให้เราผิดศีลแต่ถ้าเราครบบัณฑิต พดิษก็แนะนําแต่เรื่องดีๆให้เราอยู่ในกรอบของศีลให้เราหาความสุขที่มันถูกทานองครองธรรมให้เรารู้จักให้ทานให้เรารู้จักปฏิบัติภาวนาเหล่านี้อันนี้ข้างนอกเพราะฉะนั้นข้างนอกเนี่ยเราก็ควรจะต้องบริหารจัดการข้างนอกด้วยไม่ใช่ว่าอะไรก็บริหารแต่จิตใจแล้วจะเรียกว่าเราจะมีความสุขได้อย่างยืน เพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักบริหารความสุขความทุกข์ที่ดีที่เก่งเนี่ยเขาก็ต้องบริหารทั้งภายนอกด้วยแล้วก็ภายในด้วยให้มันเสมอกันเสมอกันในที่นี้ก็รู้ว่าเรื่องภายนอกก็บริหารแบบภายนอกเรื่องภายในก็บริหารแบบเรื่องภายในเหมือนเราทาําทงาน่ะเราทางานงานมันก็เป็นเรื่องภายนอกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่า ทำงานแล้วมันมีคอนฟ lict กันอันนี้มันก็ไอตัวคอนฟ lict อะถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความชอบความไม่ชอบอารมณ์อยู่ในใจแล้วอันนี้เราก็ต้องแก้ที่ใจนะต้องแก้ที่ดึงใจออกมาจากอารมณ์สิก่อนปรับอารมณ์ในใจของเราสิก่อนไม่ให้ความอยากมันมาเข้าเข้าครอบงาอยากที่จะชนะคัดคานกันอยากที่จะด่าเขาอยากที่จะ ทำร้ายเขาอยากที่อะไรต่างๆนานา น, นี่ความอยากมันจะพาเราไปอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับใจมาอยู่ตรงที่พุทโธก่อนเป็นกลางๆซะก่อนแล้วก็ดูว่าอยากที่มันกระตุ้นใจเราอยู่เนี่ยมันเป็นกระตุ้นไปในทางดีหรือทางไม่ดีอาจจะมันกระตุ้นไปในทางที่ว่าเขาทำร้ายเขาแบบไม่มีเหตุผลด้วยแบบไม่ถูกตำรองคลองทำด้วยอันนี้เราเบรก เบรกไว้พอเราเบรกได้สิ่งที่เราจะคุยต่อไปมันก็คุยด้วยหลักการด้วยเหตุผลนั่นแหละแล้วสุดท้ายก็คือว่าถ้ามันไม่ได้อย่างตามหลักการตามเหตุผลเราก็ปล่อยวางได้เพราะว่านี่คือที่สุดที่เราจะทำได้แล้วเงื่อนไขที่มันจะทำให้ดีกว่านี้ไม่มีแล้ว สิ่งที่เราทำได้ก็คือต้องวางใจไปเพราะฉะนั้นเราก็รู้จักที่จะแพ้เป็นแต่ที่แพ้แบบคนมีความสุขอะแพ้แบบไม่ทุกข์เขาเรียกว่าแพ้แบบพระแต่ถ้า ช, ชนะให้มันได้แล้วเราต้องสูญเสียกุศลสูญเสียความเป็นคนดีอันนั้นมันก็ไม่คุ้ม แต่เรื่องทำความดีก็อยากจะย้ําอีกสักนิดหนึ่งตรงที่ว่าทําความดีเนี่ยขอให้ทําให้มันถูกดีด้วยถ้าเราทําไม่ถูกดีหรือทําไม่ถึงดีอันนี้ก็ยังไม่ดีถ้าเราทําดีแค่ตามใจที่ใจเราอยากทําดีอันนี้ยังดีไม่จริงอายกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับหมาแมวจอจัดอย่างเงี้ยเราอยาก ให้ข้าวเพราะรู้สึกว่าเออมันไม่มีอะไรกินแต่พอเราให้แล้วเนี่ยเราก็ปล่อยมันกินไม่หมดมันก็ปล่อยเป็นขยะไปใช่ไหมมันก็สกปรกนกั่นแหละเราก็ไม่ได้ทําอะไรต่อพรุ่งนี้เราก็มาให้อีกอ่าตรงนี้เราเห็นว่ากองสกปรกเราก็ไปย้ายกองใหม่ให้ตรงใหม่แล้วมันก็เป็นขยะกองใหม่อีกอันนี้ก็เรียกว่าทําดีแต่ยังดีไม่จริง ถ้าทำดีให้มันถูกดีก็หมายถึงว่าเราก็ต้องมาทำความสะอาดด้วยถ้าหมาไมเมันกินไม่หมดเราก็ต้องมาทำความสะอาดด้วยไม่ให้มันเป็นภาระต่อคนอื่นอันนี้มันมันจึงจะเรียกว่าทำดีได้ถูกดีสำคัญเลยนะว่าบางครั้งเนี่ยความอยากมันก็ล่อหลอกเราเหมือนกันอยากให้ทำความดีแต่ยังไม่ถูกดี เพราะฉะนั้นการที่เราเอคอยรักษาใจเราอยู่ที่พุทโธเนี่ยเราจะเพรงพร้ํมกับไอ้ทำคำว่าถูกดีไอ้คำว่าทาดีไม่ถูกดีเนี่ยเราก็จะไม่เพรงพล้ํมมันแล้วก็จะรอบครอบขึ้นนั่นแหละ เพราะนั้นเราเราอ่ะจะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆที่พูดมาเยอะแยะมากมายหลายแง่หลายเงื่อหลายมุมเนี่ยมันออกมาจากจุดเดียวกันก็คือในจุดที่เรียกว่ามีสติที่คอยเห็นใจอยู่มีสติอยู่กับพุโทโธที่คอยเห็นใจอยู่เพราะนั้นเวลาที่เราฟังธรรมนะเราฟังธรรมของพระหรืออ่านหนังสือหรืออะไรก็แล้วแต่ เราก็ต้องสาวให้มันมาถึงจุดต้นต่อให้ด้วยว่าแง่เงื่อนเหล่านี้เขาผลิตออกมาจากตรงไหนคือเราอาจจะไม่ได้ผลิตได้เยอะได้ดีได้หลายแงย่หลายเงื่อนในแบบในแบบเขาแต่เราสามารถผลิตในแบบของเราได้ขอแค่รู้ว่ามันมาจากจุดไหนต่อมไหนที่มันมาที่ว่าเป็นจุดต้นต่อของมันล เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเออแงนี้ก็ดีนะแง่นั้นก็ดีนะแต่ถ้าเรารู้แค่นั้นเนี่ยมันยังเสียดายเพราะว่าธรรมะในแต่ละเคสที่เขาอธิบายออกมาเนี่ยในชีวิตจริงเราอาจจะไม่เจอตรงตรงเคสสัทีทีเดียวก็ได้แต่ถ้าเรารู้จักที่จะรู้ว่าเขาใช้มาจากตรงไหนสภาวะของใจเป็นยังไง แล้วเราย้อนใจกลับไปที่สภาวะตรงนั้นได้เราก็ผลิตอุบายของเราได้ผลิตความคิดอุบายต่างๆในแบบที่เป็นเราที่เราจะแก้ทุกข์ให้กับตัวเราเองได้แล้วก็ได้ดีซะด้วยเพราะว่าเรารู้จักตัวเราเองเรารู้จักเงื่อนไขของตัวเราเองแล้วเราก็ผลิตมันได้กลมกล่อมกับตัวเราเองสำหรับ คนที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังธรร ม, มะในหลากหลายอันนี้ก็เลยพูดเผื่อไว้ก่อนเผื่อว่ามีความสนใจมากขึ้นได้ไปฟังได้ไปหาศึกษาเพิ่มเติมก็จะได้เห็นแนวทางว่ามันมีหลากหลายเยอะแต่สุดท้ายก็คือมันก็มาจากจุดเดียวกันนั่นแหละจากจุดที่เรียกว่าใจที่มันสงบ แล้วเราจะแก้ให้มันมาสงบใจยังไงมันต้องมาจากจุดพื้นฐานตรงนี้แหละอันนี้มันก็เป็นอุบายของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละองค์แต่ละท่านที่ท่านจะแก้แล้วให้ใจมันย้อนกลับมาอยู่จุดตรงที่ว่ามันมีความสงบใจได้มีความปล่อยวางได้ตรงนี้พอใจมาสงบมันสบายปล่อยวางได้แล้วเนี่ยเวลาที่มันจะหาอุบายแก้ทุกเนี่ยทีนี้เขาเรียกว่าตํ ตามหน้าเสือนั่นแหละภายนั้นคนที่ปฏิบัติทำได้อย่างดีได้อย่างชำนาญเชี่ยวชาญเนี่ยมันก็เหมือนไอ้ไอไนังจีนอ่ะพอมันไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเขาเรียนรู้กระบวนกาท่าเขาเรียนรู้ทักษะของสำนักเพื่อมาเป็นทักษะการต่อสู้ปะ่ะแต่พอมันไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็มีทั้งกระบวนท่าที่เป็นแบบเก่า แล้วก็เป็นกระบวน่าที่ใช้ให้มันปลูกกับสถานการณ์ปัจจุบันลักษณะ น, นั้นที่เราคิดเองบ้างก็ได้เพราะฉะนั้นก็ย้อนใจกลับมาตรงนี้แหละพยายามให้ใจกลับมาได้ตรงนี้บ่อยๆก่อนฝึกให้มันชำนาญฝึกให้มันชินซะก่อน ตรงที่มีสติอยู่กับพุทโธเฉพาะหน้านี่แหละ